เมื่อตกลงใจยึดอาณาปานาสติเป็นราวกเกาะถือว่าการปล่อยราวกเกาะคือการล้มลูกคลุกคลานฉันก็ได้คำตอบในทันทีว่าจะกระทําจิตให้มีคุณภาพพร้อมรู้ชัดเจนได้อย่างไรถ้าจิตอยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูลมหายใจได้ตามจริงว่ากำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือสั้น